ได้ทราบว่า <c oughs> ท่านทั้งหลายต้องการให้ต้องการจะได้ฟังเรื่องสำหรับผู้ที่จะลาสิกขา <c oughs> <c oughs> ผมก็จะพูด <c oughs> โดยอนุวัตรกกับเรื่องนั้น คือเราจะประมวลเรื่องต่างๆตามที่ได้ศึกษามาตลอดเวลาที่บวชนี้เข้าด้วยกัน้ว <c oughs> หาดูหลักสําสำคัญของเรื่องนั้นว่าจะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร <c oughs> สำหรับผู้ที่จะ ครองชีวิตอย่างคาววะ <c oughs> ให้ธรรมะนั่นมันเป็นเรื่องของความดับทุกข์โดยตรงแล้วก็ไม่ได้แยกเป็นเรื่องคาววดหรือเรื่องบัรพชิต พระพุทธเจ้าท่านวางแนวว้แนวเดียวเท่านั้น <c oughs> อย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าระเบียบนั่นมันสะดวก <c oughs> สำหรับผู้ที่เป็นวันประชิดคือวันประชิดจะปฏิบัติได้โดยง่ายโดยสะดวกและโดยเร็ว คาราวาดนั่นก็จะต้องลำบากบ้างจะ ต, ต้องช้าบ้างแต่ก็ปฏิบัติโดยหลักเดียวกันนั่นแหละคือว่าความยึดถือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความไม่ยึดถือก็ไม่ทุกข์มันมีเท่านั้น <c oughs> คำสัดของพระองค์ซึ่งทรงยืนยันเป็นหลัก เพราะว่าเราพูด <c oughs> เราบัญญัติแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นถ้าตั้งคําถามอย่างอื่นนู้จะไม่อ่าจะไม่จัดตอบจะผัดเพี้ยนไว้ก่อนมาพูดเรื่องนี้กันดีกว่ามาพูดเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องทางเรื่องความดับทุกข์ ถ้าทำได้ถึงที่สุดมันก็ถึงที่สุดแห่งความทุกข์เพืาอเป็นพระอระหรันต์จึงอยู่เหนือความเป็นคราวาสและเหนือความเป็นบรรพชิตเใช่อีกที่เรามันยัง จะต้องเป็นคาราวาสจะต้องเป็นอยู่อย่างคาราวาสก็พยายามทำให้ดีที่สุดที่คาราวาสจะทำได้อย่างไรถ้าว่าจะพูดถึงการไปนิพพานคือไปถึงจุดสูงสุดนั่นเปรียบเสมือนการเดินทางไกล การเป็นวันพชิตก็เหมือนกับเดินตัวเปล่าอย่างมากก็มีบาดกระจีวอนที่ต้องถือออกไป <c oughs> ส่วนคราวาดนั่นเปรียบเหมือนกับว่าแบกบ้านแบกเรือนแบกวัวควายไร่านาอะไรไปด้วย <c oughs> มันก็เลย หน้าหน้าสังเวทกับหน้าสังเวทจะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เมื่อยังจะต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แต่โดยเหตุที่ว่าธรรมะนี่ไม่ได้สำหรับกราวาตหรือสาหรับบรรพชิตโดยเฉพาะถ้าใครปฏิบัติถูกต้องมันก็ช่วยได้ เราจึงมุ่งหมายที่จะเป็นคราวาสชนิดที่จะเอาธรรมะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้ให้มากที่สุดนี่ผมมีหลักอย่างนี้หลักธรรมะของพระพุทธศาสนามีแนวเดียวเท่านั้นสะดวกสำหรับบ ป, ปรพจิตจะปฏิบัติได้โดยเร็ว ตคราวาทก็ต้องปฏิบัติแนวเดียวกันนั่นน่ะมันก็ชา้าเห็นก็ยืนยันว่ามันยังต้องปฏิบัติแนวเดียวกันมิฉะนั้นจะเป็นทุกข์นีมิฉะนั้นจะเป็นทุกข์ <c oughs> เร่อง <c oughs> นี้ก็มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายเข้ามาแยกกัน <c oughs> ว่าพระหรือบรรพจิตจะไปนิพพานก็ต้องปฏิบัติแนวหนึ่ง ที่จะอยู่ครองเรือนในโลกนี้ก็ต้องมีอีกแนวหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งหรือว่าอีกระบบหนึ่งทีเดียวไอ้นั่นที่เขาพูดอย่างนั้นน่ะดูเขาจะมุ่งหมายเรื่องคราวาสจะร่ําจะรวยด้วยทรัพย์สมบัติเจติยศชื่อเสียงอย่างนั้นมากกว่า <C oughs> เขาจึงให้ยึดให้ถือกันเสียคนละอย่างไม่ถืออย่างหลักหลักเพียงหลักเดียวข้อเดียวอาศัายเดียวสําหรับความดับทุกเกี่ยวกับความดับทุกต้องดับกันอย่างนี้เมื่อสองสวันนี้ก็มีคนเขียนจดหมายมาถาม ทานองอให้พิสูจน์ด้วยคือว่าเขาไม่เชื่อว่าคำสอนเรื่องสุญญ า, านั้นใช้ได้แก่ขราวา่าเขาก็จะคิดว่าผมว่าเอาเองตรงนั้นเขาก็จึงถามมาว่า ไอ้เรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสุญญตาแก่คราวาสนั่นมันอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนหน้าไหนเ <c oughs> อพราะเขาเห็นพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องประโยชน์ปัจจุบันสีน่อย่างอุทานสัมปทาอรักกสัมปทาพวกนั้นอเขาอ้างพระไตรปิฎกเล่มนั้นเล่มนั่น ม, ม, ม, ม, มาด้วย <c oughs> นี่แสดงว่ามีคนที่ไม่ยอมเข้าใจว่าไอ้เรื่องตัวแท้ของพุทธศาสนาคือสุญญาตาหรืออนัตตานั่นต้องใช้กับคาราวาสก็ <c oughs> ต้องใช้กับคาราวาสเขาไม่ยอมเชื่อเขาว่ามันจะเป็นอุปสรรคจะอีก จะเป็นเครื่องกีดกันกันทำลายความเจริญของคาราวาส์ อ, อีกครับเข้าใจว่ า, ายอย่างนั้นถ้าเอาเรื่องสุญญาตาเรื่องอนัตตามาให้กับคาราวาสก็จะเป็นเครื่องขัดขวางความก้าวหน้าของคาราวาสเ <c oughs> <c oughs> นี่ย ม, มันควายกันอยู่คุณจะต้องจับ ใจความของเรื่องหรือมองเห็นในใจความของเรื่องอไดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเรื่องที่จะดับทุกข์กันได้จริงไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องไม่ยึดมั่นคือมั่นคือเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตานั่นเองเรื่องอื่นมันดับทุกข์ไม่ได้มันเป็นเรื่องยึดถือมันกระดับทุกข์ไม่ได้ ถ้าเป็นเรื่องปลอยวางมันก็เรื่องดับทุกขได้นถ้าปลอยวางมันต้องเห็นไอ้อานิจอนัตตาหรือสุญญาตามันจึงจะปล่อยหรือว่ามันจึงจะไม่มีที่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้น <c oughs> ทีนี้ผมมองไปในทางที่ว่าคราวาตนั่นจะต้องมีความทุกข์มากกว่าบรรพชิต อยู่อย่างคราวาสจะเต็มไปได้วยความทุกข์หรือปัญหาต่างๆมากมายกว่าบรระชิตที่เมื่อจะเป็นคราวาสให้ลู่ล่วงไปกว่าจะถึงประโยชน์ที่ต้องการนั้นเขาจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องออคำจัดความทุกข์ ที่มันมีอยู่หรือมันจะเกิดขึ้นตามแบบของคาราวาสอันแสนจะมากมายนี่นก็มองเห็นว่าเรื่องนี้เรื่องมายึดมั่นถือมั่นที่คาราวาสแท้ๆคาราวาส ด, ดิบๆที่บ้านน่ะเขาจะต้องรู้จักเอามาใช้ <c oughs> เพื่อขจัดใน้ความทุกข์ความเดือดร้อนหรือปัญหาต่างๆออกไป นิฉะนั้นเขาจะทนทรมานมากจนกว่าเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตวิกลจริตไปเลยก็ได้หรือว่าเขาจะฆ่าตัวตายได้ง่ายที่สุดแต่ถ้าว่าเขารู้จักใช้ประโยชน์จากเรื่องอนัตตาสุญญาตาเขาจะไม่ต้องเป็นอย่างนั้น คือไม่ต้องเป็นโรคประสาทหรือโรคจิตหรือไม่ต้องคิดไปทางฆ่าตัวตายเขาจะทำจิตใจให้มันปกติได้แล้วปฏิบัติหน้าที่ของคาราวาสไปอย่างได้ผลเป็นที่พอใจเนี่ยนี่เป็นประเด็นสำคัญว่าเราจะ อยู่ในกองทุกข์ของคาราวาสโดยที่ไม่ต้องทุกข์มากมายนัก <c oughs> ไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องฆ่าตัวตายนะไม่ต้องใช้ธรรมะอย่างเดียวกันกับที่ใชยดับทุกข์เพื่อไปนิพพานแต่ไม่ได้หมายความว่าในมาตรฐานที่เท่ากันมันก็จะต้องลดหลั่นกันอยู่แต่มันต้องหลักเกณฑ์เดียวกันคือม่ยึดมั่นถือมั่น <c oughs> เพราะว่าคนเรามันเป็นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นนะแม้ในที่บางแห่งจะใช้คำว่าตัณหาอคือความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อย่างที่อย่างที่คุณเรียนมาในอในหนังสือเรียนคำว่าตัณหาไปเลยจ้เกิดทุกข์ที่นี่อ มันเดี๋ยวนี้มาพูดว่าทุกเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นต้อยเข้าใจว่าตั้มหลักมันคือมีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานคือมีความยึดมั่นถือมั่นแล้วมีพบมีชาติแล้วเกิดทุกข์ <c oughs> มันถูกด้วยกันทั้งนั้นแหละว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ถูกอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ถูกเพราะว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทาน ถ้าตัณหาไม่ให้เกิดอุปาทานมันก็เป็นให้ให้เกิดทุกข์ไม่ได้นั้นตัณหาให้เกิดทุกข์ก็โดยเหตุที่ทำให้เกิดอุปาทานผ่านไปทางอุปาทานที่มันยังดีถึงกับว่าถ้าความยึดมั่นถือมั่นมีน้อยอตัณหาก็เกิดน้อยถ้าตัณถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นน้อยเรื่องต่างๆมันจะให้มันจะทําให้ให้เกิดตัณหาได้ยาก มันมันเป็นสองนั่นอ่สองสองด้านอยู่อ่ะตัณหาหเกิดุปาทานคือความยึดถือแล้วก็เป็นทุกข์นั่นก็ทางหนึ่งทีนี้ถ้ามีอุปาทานโดยทั่วทั่วไปแล้วมันทำห้เกิดตัณหาได้ง่ายได้มากถ้าตัณหาใครเกิดอุปาทานไออีกตอนหนึ่งอีกขั้นหนึ่งก็เป็นทุกข์ถือเอาตามหลักพระพุทธภาษิตรตรง อย่างที่เอามาเป็นบทธรรมวัตตรวจมนว่าสังขิเตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วขันทั้งห้าที่ประกอบเดวปาทานเป็นตัวทุกเนี่เมื่อเมื่อเราจะพูดในสั้นโดยสรุปแล้วขันห้าที่ประกอบเดวปาทานเป็นตัวทุกสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับมนุษย์นี่มันก็รวมอยู่ในขันห้าทั้งนั้น ทรัพย์สมบัติเงินทองจะเป็นรูปประคันวความรู้สึกคิดนึกเกียรติยศชื่อเสียงความหวังอะไรต่างๆมันก็เป็นส่วนอของขันห้าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งนั้นถ้าเรยึดอขันห้าส่วนใดหรือทุกส่วนว่าเป็นตัวตนหรเป็นของตนมันก็เป็นทุกข์ เราจึงมีหลักอันใหม่ที่ว่าจะทำไปโดยที่ไม่ต้องยึดถือนี่จะได้ไม่เป็นทุกข์และการงานที่ทำนั้นก็สำเร็จด้วยที่มันจะทำได้อย่างไรในชั้นแรกนี่ ต้องไปสังเกตศึกษาด้วยเห็นชัดซะก่อนนะว่าตัวความยึดถือมันคืออย่างไรแล้วมันยึดถือในอะไรนี่อย่างที่คนเขายึดถือทรัพย์สมบัติเงินทองเกียติยศชื่อเสียงซึ่งเราก็เคยยึดถือมาแล้วพอจะเข้าใจได้ดีว่าเราว่าคนเราน่ะมันยึดถืออะไรอยู่ คือมีความหมายมั่นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนยึดถือร่างกายนี่เป็นตัวตนเป็นภายในยึดถือภายนอกคือทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอะไรที่มันออกออกไปสำหรับอยู่ข้างนอกทั้งข้างในทั้งข้างนอกถูกยึดถือว่าตัวตน ถ้าจะศึกษาให้ให้ให้ให้ถูกตัวเรื่องตัวจริงแล้วก็ต้องศึกษาข้อนี้ศึกษาตรงนี้เมื่อไรเรายึดถือให้รู้ให้รู้สึกให้รู้สึกความทุกข์เพราะความยึดถื อ, อพร้อมกันไปทีเดียว <c oughs> เรามีความยึดถือ ไอ้สิ่งที่เรากําลังหวังอยู่อย่างมากนะไม่ว่าอะไรมันแล้วแต่บุคคลคนไหนกําลังมีการงานอย่างไรเขาเขาก็าจะต้องมีสิ่งที่เขายึดถืออยู่ตามแบบนั้นๆส่วนมีบุตรปัรญาสามีกตัญจิตยึดบุตรปัรญาสามียึดถือเรื่องทุกเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเราหรือบุตรปัรญาสามี เกีระยรติยดชื่อเสียงของเราพูดเป็นเสียงเป็นตัวหนังสืออย่างนี้ไม่มีประโยชน์นะคุณต้องไปจับให้ได้เมื่อจิตมันมีความยึดถือจริงๆต้องไปเรียนอีกทีหนึ่งศึกออกไปแล้วนี่ต้องไปเรียนอีกทีหนึ่ง คือ <c oughs> ไปเรียนสิ่งที่กำลังเข้ามาให้ยึดถือในการข้างหน้าให้รู้จักตัวความยึดถือที่เกิดขึ้นในจิตและสิ่งที่มันยึดถือแล้วพ้นอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยศึกษากันจริงๆอย่างนี้ไอ้ตอนนี้ตอนที่จะพบพระพุทธศาสนา ผมเคยพูดว่ายิ่งเรียนพระไตรปิฎกยิ่งไม่รู้พุทธศาสนามีคนด่าแต่ก็ยืนยันว่ามันอย่างนั้นฮะเขาเรียนไตรปิฎกมาเรียนแต่ได้ง่ายภาษาสัพพะทศาสตร์วรรณคดีสนุกไปเลยจึงไม่รู้พุทธศาสนาถ้าจะรู้พุทธศาสนาต้องเรียนลงไปที่ตัวความทุกข์ก็ลังบอกมาากันดิ ว่ต้องเรียนลงไปที่ตัวความยึดถือตัวสิ่งที่ยึดถือผลของความยึดถือคือความทุกข์ให้มันรู้สึกด้วยใจเลยให้มันรู้สึกด้วยใจเรียนไปจิตใจนี่เรียนตัวชีวิตเรียนตัวความทุกข์นั่นแหละจะรู้จักพุทธศาสนาจะรู้พุทธศาสนาถ้ามูเรียนวัดใดไปดอกตามวิธีที่เรียนเรียนกันอยู่นี่ไม่ ไม่ไม่ไม่ถึงตัวพุทธศาสนามันถึงตัววิชาภาษาศาสตร์วรรณคดีอักษรศาสตร์อะไรอยู่แต่อย่างนั้นเองจริงว่าสืกลงไปนี่ต้องไปเรียนตัวพุทธศาสนาจริงๆคือทำจิตปกติแล้วก็จะมีอะไรเข้ามาทาให้จิตผิดปกติคือยึดถือหรือเป็นทุกข์ ไม่ว่าอะไรหมดเราห่วงวิตกกังวลอะไรแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะนั้นมันเป็นความยึดถือนะความอยากความต้องการความห่วงความหวังความสงสัยวิตกกังวลอะไรก็แล้วแต่จะเรียกหลายสิบชื่อล้วนแต่เป็นความยึดถือทั้งนั้นยิ่งเดี๋ยวนี้เรามาถือว่า ทุกคนต้องหวังต้องมีความหวัง่ต้องยิ่งหวังเนี่ยเขาเขาเขถือหลักอย่างนั้นต้องอยู่ด้วยความหวังอืก็ทําระวังกันดีๆมันจะเป็นบ้าน <c oughs> เราจะคิดได้ออกก่อนก็ได้ว่าเราควรจะต้องการอะไรหรือควรจะหวังอะไรพอคิดออกแล้วก็ทําไปหยุดความหวังเถอะเพรามันมันเข้ารูปแล้วจะต้องทําอย่างไร จะได้อะไรได้นอนแล้วก็หยุดความหวังเถอะก็ทําทําทําทํานี่เรียกว่าทําโดยไม่ต้องหวังทําโดยไม่ต้องมีตัณหาอทําโดยไม่ต้องมีอุปาทานงั้น ง, งานนั่นจะไม่เป็นทุกข์ตลอดเวลานี่จึงพูดให้สั้นสั้นง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้เราก็จะทําทุกอย่างอ โดยที่ไม่ต้องมีตันหาไม่ต้องมีความยึดถือกิอปรปาทานจะเล่าเรียนก็ได้จะทํางานอาชีพก็ได้ก็ต้องทําโดยที่ไม่ต้องยึดถือได้เงินมาก็ได้มาอย่างไม่ต้องยึดถือจะใช้เงินจะกินจะใช้บริโภคกขยาให้มันเกิดความยึดถือจะเก็บไว้ก็อย่าเกิดความยึดถือจะทําให้เป็นประโยชน์มากออกไปก็อย่าทําด้วยความยึดถือ ทำโดยอะไรอย่างนั้นก็ทําดยสติสัมปชัญญะโดยปัญญาโดยความรู้สึกผิดชอบทั่วดีนะที่มันบอกว่ามันถ้าทําอย่างนี้จะได้อย่างนี้ทําอย่างนี้จะได้อย่างนี้เราต้องการจะได้อะไรเราก็ทําอย่างนั้นแต่จิตอย่าไปยึดถืออย่าไปหมายมั่นอย่าไปหวังของชนิดที่เขาเรียกกันว่าความหวัง <c oughs> มันจะทําให้ ต้องทนทรมาน <c oughs> หวังอะไรต้องการอะไรก็คิดกันเส้มเสร็จให้มันเป็นเรื่องไปเลยว่าคิดเสร็จแล้วก็อยากจะได้อะไรควรจะได้อะไรทำอย่างไรให้ความหวังหรือความอยากนั้นหยุดเถอดับเถอะนั่ก็เหลือแต่การกระทำด้วยสติปัญญาอรือเกิสติสัมปชัญญะเนี่ยจะไม่มีความทุกข์ จะห้าเงินก็ดีจะห้าเกียรติยศชื่อเสียงก็ดีจะก้าวหน้าในการงานในชีวิตก็ดีค่อยทำไปด้วยสติสัมปชัญญะหรือปัญญาอย่าทำาดยกิเลสโปยตัณหาโดยอุปาทานเพื่อผลข้อแรกที่สุดก็คือจะไม่เป็นทุกข์จะเอาข้างไม่เป็นทุกข์ไว้ก่อน <c oughs> ถ้ามาอย่างนั้นจะเป็นทุกข์หรือจะทรมานเรื่อยๆไปก็เป็นโรคประสาเป็นโรคจิตเป็นพิกลจริตหรือถ้าว่ายึดถือมากไปมันก็จะถึงกับฆ่าตัวเองตายฆ่าผู้อื่นตายฆ่าลูกฆ่าเมียตายฆ่าพ่อแม่ตัวเองตายไปศึกษาจากของจริงนี่แปลว่าเราจะฟันฝ่า ชีวิตแบบคราวาสไปได้โดยไม่ให้มันเป็นทุกข์ทรมานถึงขนาดที่เรียกว่าอันตรายแต่ที่จะไม่ให้รู้สึกเป็นทุกข์หรือลาบาก เ, เลยนั่นมันก็เป็นไปไม่ได้ให้มันมีความทุกข์ลำบากแต่ทางกายหรือความเหน็ดเหนื่อยนะั่นเป็นต้นแต่อย่าให้ทุกข์ทางใจอย่าให้มีความทุกข์ชนิดที่ต้งเป็นโรคประสาท มันเป็นเพียงเหน็ดเหนื่อยทางกายแล้วก็จะเป็นแต่น้อยที่สุดถ้าจิตไม่ยึดถือถ้าจิตยึดถือแล้วมาทางกายก็จะเหนื่อยมากจะรู้สึกเหนื่อยมาก <c oughs> เพราะมันเหนื่อยทั้งทางกายและทางจิตที่เราจะมีหลักให้มันเป็นทุกข์แต่น้อยหรือถ้าเก่ง ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยก็ได้เรียกว่ามันเก่งมากมันมีศิละปะมากไม่ต้องเป็นทุกข์เลยฝ่าฟันให้ชีวิตพราวาดสไปนี่เราเรียกว่าต้องการหลักพื้นฐานคือไม่เป็นทุกข์ทีนี้มันมีข้อพลอยได้ที่วิเศษที่สุดอย่างคือมันจะสนุกนอกจากไม่เป็นทุกข์แล้วไอ้การงานที่ทํานั้นจะให้ความสนุก <c oughs> ข้อนี้สำคัญมากตามความรู้สึกของผมแต่ไม่กคยมีใครเชื่อกี่คนเขาไม่ยอมเชื่ออย่างที่ผมพูดที่ว่าไอการงานนี่เราทำให้สนุกได้ <c oughs> แล้วก็ยังได้ผลดีที่สุดด้วยแล้วแต่ว่าใครจะมีการงานอะไรชาวนาก็ต้องทำนา ช่างไม้ก็ต้องทำไม้หรือว่าบางคนค้าขายก็ต้องทำงานหน้าที่ของตอนคนนักเรียนก็ต้องเรียนนี่เรียกว่าการงานมีด้วยกันทุกคน <c oughs> และการงานนั้นก็เป็นเครื่องทรมานใจ <c oughs> แกผู้ที่ยึดถือ <c oughs> เขาจะถือว่าเรานี่มันโชคร้าย อาภัพอาบโชควาสนาน้อยต้องมาเป็นคนยากจนเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ำนี่มันก็เป็นทุกข์เนั้นะอ่ะเพราะ ม, มันมันมีความยึดถือแล้วเอามาคิดสำหรับจะยึดถือให้มีตัวตนที่กำลังยากจนกาลังโชคร้ายกำลังไม่มีวาสนาอย่างนี้เป็นต้น นั่นก็ลืมไปความยึดถือชนิดนั้นเสียมาดูว่าเราก็มีเรี่ยวมีแรงธรรมชาติสร้างมามีกําลังกายมีกําลังใจเราต้องใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็ทําให้ดีให้ละเอียดให้ประณีตเป็นศินละปะที่สุดแล้วก็คอยพอใจยินดีในการที่เราทําได้ดี มีฝีมือสุดฝีมือแมาจะเป็นลูกจ้างเป็นสมียนพนักงานเป็นคนชั้นปูนน้อยอยู่ใต้บังคับบัญชาก็จงพยายามหาความสุขจากการที่ทำงานดีที่สุดพอทำงานดีที่สุดก็สบายใจพอใจตัวเองก็มีความสุขที่เราจะทำงานให้ดีที่สุดเราต้องมีจิตใจที่ปกติที่สุด นั่จึงต้องลืมหมดไอ้เรื่องกิเลสตัณหาเรื่องอะไรต่างๆเรื่องคิดไปด้วยความยึดถือต้องลืมหมดแล้วก็ทำโดยจิตใจที่เป็นสมาธิด้วยจิตปกติด้วยกายปกติก็ทำสนุกไ ป, ไปคิดดูเถอะถ้าทำด้วยจิตชนิดนี้แล้งานจะสนุกจะบวกเลขก็สนุกจะพิมพ์ดีดก็สนุกจะทำอะไรก็สนุก ทำการงานให้สนุกได้ทุกอย่างในการงานมันจะเป็นเหมือนเหมือนกับการฝีมือไปเป็นเป็นศิลปะวัตถุเป็นงานฝีมือไปแล้วเราก็สนุก <c oughs> ถ้าการงานเป็นเรื่องเป็นการงานเป็นของหนักต้องทนทำเพราะความจำเป็นแล้วก็ต้องเป็นทุก นิบเตียนให้มันเป็นงานฝีมือเสียทำได้จิตใจที่ประณีตในร่างกายที่เหมาะสมมันก็ทำได้อย่างน่าดูรู้สึกเป็นสุขชีวิตนี้มันก็เป็นสุขได้ในตัวการงานนั่นเองคนเขาไม่ยอมเชื่อแล้วก็ไม่ไม่ยอมทดลองด้วยจะทำการงานให้เป็นสุข แต่เราก็ได้เห็นอยู่บ่อยๆหรืเราเองก็เคยผ่านถ้าจิตใจของเรามันมันว่างจากความยึดถือแล้วการงานมันสนุกไม้จะเงื อ, อไหลใครย่ออ ย, อยู่มันก็สนุกเหมือนกับเราไปทำงานบางอย่างไปช่วยเพื่อนไปอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเพื่อตัวเองนี่มันก็สนุก อย่างว่าไปช่วยกันคนดินถ้าจิตใจก็ไม่ได้คิดนึกอะไรหมดนอกจากจะช่วยกันคนดินมันก็ค้นดินสนุกแต่ถ้าไปเห็นเป็นงานต่ำต้อยเป็นงานชั้นเลวไม่สมแก่เราหรือตอนนี้แล้วมันก็ไม่สนุกแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยนี่จะเป็น จะมีปัญหาที่ทไม่มี ใ, ใครพยายามลองดูจุ้หาความสุขในการงาน <c oughs> ผมอยากจะพูดอย่างดูทูกดูมินไปสักอย่างหนึ่งว่าไอคนทั้งหลายในโลกนี้มันกำลังทนทุกข์เพราะการงานทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่อยากทำงาน โดยเนื้อแท้มันไม่อยากจะทำงานแต่มันต้องการจะได้เงินเดือนมันก็ทนทำงานมันก็ต้องทนทำงานเพื่อจะได้เงินเดือนเมื่อเป็นอย่างนี้การงานนั้นต้องเป็นของหนักและเป็นของให้เกิดความทนทุกข์เราต้องฝื้นใจทำเราอยากหยุดเราอยากจะไปเที่ยวเล่นไ ม, ไม่สนุกในการงานเราอยากจะหยุดถึงเวลาหยุดรอเงินเดือนออก แล้วก็จะไปหัวหกกนขิดให้เป็นสุขกันเต็มที่ไปสุขกันตอนโน้นไปสุขตอนที่บ้าในอบายามุกได้เงินเดือนไปบ้าในอบายามุกแล้วเป็นสุขเมื่อทำงานอยู่ยังไม่ถึงเงินเดือนออกอยู่แต่ละวันละวันนี้ไม่สุขไม่มีความสุขฟื้นใจทำคือไม่อยากไม่อยากทำนั่นเองแต่มันต้องทำนี่เพราะว่าต้องการเงินเดือน ม็จะเป็นอย่างนี้กันทั้งโลกเม้แต่คนที่มีธรรมะแล้วสนุกในการงานเพราะเขามองเห็นว่ า, าการทำงานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่ของมนุษย์แหละคือการปฏิบัติธรรม เขาก็มองเห็นอย่างนั้นเขาก็พอใจ ย, ยินดีว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็สนุกในการทําการงานี่คือการปฏิบัติธรรม <c oughs> เราไปคิดให้ดีมองให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตมีชีวิตเนี่ยมันอยู่นิ่งไม่ได้ <c oughs> สัตว์ก็คนก็ดีสัตว์เดร้ยฉันก็ดีมันมีชีวิต มันมีกำลังมันอยู่นิ่งไม่ได้ทางกายมันต้องเคลื่อนไหวทางจิตมันก็ต้องเคลื่อนไหวมันอยู่นิ่งไม่ได้ให้เขาจะต้องใช้เอความเคลื่อนไหวนะั่นหละให้มันเป็นประโยชน์ทั้งทางกายและทางจิตก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือทำหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทาหรือที่สิ่งมีชีวิตจะต้องทา ถ้าเป็นสัตว์มันไม่ต้องการอะไรมากก็ต้องการหากินก็ใช้การเคลื่อนไหวในการหากินหรือการสืบพันธ์ตามเรื่องของมัน <c oughs> แต่ถ้ามนุษย์นี่มันยังไปไกลกว่า น, นั้นใช้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยอหรือในประโยชน์ที่มันสูงสูงขึ้นไปในทางจิตใจด้วยท่านาพยายามใช้กํกากลังกายกําลังจิต ให้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของมนุษย์รู้สึกพอใจเป็นสุขสนุกสนานอยู่ในการกระทำเช่นนั้นนี่เรียกว่าทำงานด้วยจิตว่างหรือว่า <c oughs> ทำงานอย่างพระอริยเจ้าทัานทำไม่ได้วางเงินเดือนไม่ได้วางประโยชน์เป็นวัตถุตอบแทนแต่ทำไปโดย ความเห็นประจักษ์อยู่ว่าไอ้ชีวิตนี่มันต้องเคลื่อนไหวตามธรรมชาติก็ถือโอกาสใช้การเคลื่อนไหวนั้นให้เป็นประโยชน์ที่ประโยชน์นั่นคืออะไรประโยชน์ก็คือสิ่งที่จะทำให้เป็นสุขแล้วก็อย่าประโยชน์แต่ส่วนตน ให้มัเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยเพราะว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ให้นึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านจะเน้นว่าประโยชน์ต้นและประโยชน์ผู้อื่นสองประโยชน์คู่กันไปเลย่ังจดจำไว้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าท่านประสงค์ให้ทุกคนทําประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ต้นและประโยชน์ผู้อื่น ถ้าเห็นแต่แกประโยชน์ตนแล้วมันเป็นความเห็นที่แคบเป็นความคิดของความเห็นแก่ตัวเป็นความโง่ชนิดหนึ่งถ้าเราเห็นแต่ประโยชน์ตัวแล้วมันเป็นความโง่ชนิดหนึ่งโดยไม่รู้ว่าเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้โดยตรงก็ไม่ได้โดยอ้อมก็ไม่ได้ ยังยังยังเราเป็นพระเป็นเนรนี่เราไม่ต้องทำนาแล้วก็มีอาหารกิน <c oughs> คิดดูสิมันมีคนทำนาแล้วมันคนอื่นก็ต้องมีหน้าที่ทนานาทำอะไรที่มาให้ได้กินสำหรับคนที่ไม่ต้องทำนาเดียวกับมันอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ <c oughs> าการทำประโยชน์จึงต้องนึกถึงผู้อื่นธรรมะ นี่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าจะให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ <c oughs> มีาศาสนาไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ก็หมายความว่าทั้งคนที่ยากจนและคนมั่งมี คนที่ไม่รู้จักเงือคือคนมั่งมีนี่จัดไว้เป็นฝ่ายเทวดาคนยากจนต้องอยู่กับเงือนี่เป็นมนุษย์ใ้ธรรมะนี่จําเป็นทั้งแก่คนที่ไม่รู้จักเงือและคนที่ยังต้องอาบเงือ่ต้องอยา่าวดีไปให้มันรวยเป็นเศรษฐีเป็นเทวดาในเทวโลกมันก็ยังต้องการธรรมะเพราะมันยังมีทุกข์เพราะความยึดถือ <c oughs> เพราะความที่ธรรมชาติมันเป็นไปนตามธรรมชาติเช่นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นนั่นอยู่ในโลกเป็นเศรษฐีชั้นไหนก็ตามเลยมันก็ยังมีความทุกข์ที่ต้องการธรรมะไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมในพรมโลกมันก็ยังต้องการธรรมะเพื่อจะแก้ความทุกข์อันเกิดมาจากความยึดถือ นี่ยคอยมองให้เห็นว่าคนมั่งมีกับคนยากจนมันยังมีปัญหาอย่างเดียวกันคือความทุกข์เพราะความยึดถือเอาความเอาธรรมมาเป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและแก่มนุษย์ซึ่งเรียกว่ามันห่างไกลกันมากเลยมันมีช่องว่างที่ไกลกันมากระหว่างเทวดากับมนุษย์ แต่ว่าธรรมะก็ยังต้องการเป็นที่ต้องการทั้งสองฝ่ายอยู่นั่นเองถ้วว่าจะมั่งมีสักเท่าไรจะยากจนสักเท่าไรมันยังมีความทุกข์เพราะความยึดถืออย่างเดียวกันเสมอกันี่เราจึงมีความคิดกว้างออกไป ว, ว่ามันอยู่คนเดียวไม่ได้จะทำประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวมันก็ก็ไม่ได้มันจะไม่มีความสงบในสังคมนี้ มันจึงถือว่าประโยชน์นั่นต้องเป็นไปช่างเพื่อตัวเองแหละเพื่อผู้อื่นดูวย้ดีแม้ในหมู่สัตว์ในราชานะมันก็ยังเป็นอยู่ชนิดที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันเหมือนกันไอตัวไหนจะอวดดีไปว่าเราจะอยู่คนเดียวเราจะอะไรคนเดียวไม่ไม่เท่าไรมันก็ต้องต้องวินาศไอตัวนั้น แั่นั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ยังต้องการเพื่อนที่นี้มนุษย์มันก็ยิ่งยิ่งกว่านั้นยิ่งต้องการเพื่อนก็จะช่วยสร้างประโยชน์ให้ยิ่งขึ้นไปนี่ขอให้รับรู้ว้แต่ เนินเนินหรือล่วงหน้าว่าเราต้องทำประโยชน์ทั้งสองฝ่าย <c oughs> แล้วก็ต้องทำด้วยความฉลาดของธรรมะคือไม่ต้องเป็นทุกข <c oughs> ์งั้นเตรียมไม่ได้เลยที่จะลงโทษตัวเองตีเจียนตัวเองเมื่อเกิดความทุกข์ นี่ผมขอฝากว่าอย่างยิ่งยืนยันอย่างยิ่งในวันนี้ว่าให้ทุกคนไปยึดหลักว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์นันถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นในใจแล้วก็ก็รีบสลัดออกไปเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์ <c oughs> นั่นเราจะไม่เก็บความรู้สึกอันนี้ไว้เราจะเปลี่ยนมันให้เป็นเรื่องความปกติแล้วก็ทํางานต่อไป <c oughs> ถ้ามันยังมีความทุกข์เหลืออยู่ก็ต้องด่ามันว่าไอชาตหมาไอชาติโง่ไอาชาติเลวระยำอะไรที่มันมีความทุกข์หรือมันยังสงวนเอาความทุกข <c oughs> ์ไว้ก็แปลว่าไม่ย้มให้อความรู้สึกที่เป็นทุกข์นี่มาตั้งรกรากอยู่บนจิตใจได้ถา้ายังรู้สึกเป็นทุกข์อยู่ก็ให้ ถือซะว่าตัวเองมันยังโง่ยงังเลวยังต่ำยังอะไรอยู่ขอย่างน้อยมันก็เปลี่ยนความรู้สึกได้ด้วยอํานาจของสมาธิของการบังคับจิตได้ด้วยอํานาจของสมาธิเราบังคับจิตได้นั้นเราสลัดความรู้สึกที่เป็นทุกข์ออกไปเสียงทือๆง่ายๆนั่นแหละ ปกติแล้วมาทำกันใหม่ทำอย่างอื่นไม่ต้องเป็นทุกข์อย่าไปทนทุกข์อยู่เลย <c oughs> เพราะความโลภ ก, ก็ดีเพราะความโกรธก็ดีเพราะความโง่ก็ดียังมีเรื่องที่ต้องทนทุกข์อยู่เลยให้ใจคอปกติจะได้เรียกว่าเป็นมนุษย์คือสัตว์ที่มันมีจิตใจสูงไม่จมอยู่ในความทุกข์ ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้เราจะดับทุกข์ไม่ได้ยังไม่เป็นพระอราหันต์แต่เราจะถือรั้นว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์เมื่อกูไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์กูจะไม่ยอมมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์จะทำจิตใจใปกติก็ไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานในสิ่งใดโดยนัยยะที่กล่าวข้างต้นแล้วนะ ในการจะเล่าเรียนก็ดีในการจะทำงานก็ดีในการหาเงินก็ดีในการได้เงินก็ดีในการเก็บเงินไว้ก็ดีในการบริโภคไใช่สอยเงินนั่นก็ดีต้องไม่มีความทุกข์ต้องทำด้วยความไม่ยึดถือนันเป็นสิ่งที่ทำได้จริงแต่น้อยคนจะยอมเชื่อเพราะไม่เข้าใจธรรมะนั่นเองเนี่ยจึงว่าไปศึกษากันเส้นใหม่ ลาศึกขาออกไปแล้วเนี่ยไปศึกษาพุทธศาสนาที่แท้จริงกันใช่ใหม่ <c oughs> ระหว่างที่บวชนี่ยังไม่ได้ศึกษาตัวจริงอะ่ะเพียงแต่อ่านเพียงแต่ฟังมันเป็นเพียงบันทึกของธรรมะเท่านั้นไม่ใช่ตัวธรรมะแท้มันเป็นบันทึกของธรรมะที่เอามาอ่านมาเรียนมาสอนมาพูดกันอยู่ไม่ใช่ตัวธรรมะแท้มันเป็นบันทึกของธรรมะที่เราได้พอแล้ว <c oughs> ทีนี้ไปเผชิญกับความทุกข์นั่นแหละศึกษาตัวความทุกข์นั่นแหละจะเป็นการศึกษาธรรมะโดยตรงนถ้ามีความทุกข์แล้วก็ต้องจับเอาตัวมาศึกษาสลัดออกไปให้ได้จับตัวมาก็จะเห็นว่าอ้าวมันมีตัณหาหรืออุปาทานคือความยึดมัน่นถือมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอไปความทุกข์ไม่อาจจะเกิดขึ้นมาเดียวโดดได้ ต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือตัณหาก็ได้อุปาทานก็ได้มันเรื่องเดียวกันเมื่อมีความอยากมันก็มีอุปาทานเมื่อมีตัณหาคือความอยากก็ต้องมีอุปาทานคือความยึดถือตามหลักในพระบาลีมันมีความอยากเกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งทาง จ, จิตใจเกิดเป็นความรู้สึกฉันอยากเอายากเป็นความอยากที่เคยก่อนถ้าหลังจากนั้นความรู้สึกที่ตามมาคือฉันอยาก ฉันอยากฉันจะเอาให้ได้เนี่ยมีฉันกันมาตอนนี้เป็นอุปาทานตอนนี้ความรู้สึกอยากมันเป็นเพียงปัญหา <c oughs> เจนอร่อยอยู่ก็เกิดความอยากนึกถึงความอร่อยก็เกิดความอยากเมื่อความอยากเป็นไปถึงที่สุดมันกลายเป็นความรู้สึกว่าฉันอยากฉันจะต้องเอาให้ได้ฉันจะต้องมีให้ได้ อ่าฉันจะยึดครองฉันจะสะสมรวบรวมว่ายเนี่ยมันมีฉันขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งเป็นมายาด้วยกันทั้งนั้นความอยากก็ดีตัวฉันผู้อยากก็ดีไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ตัวจริงเป็นความรู้สึกของจิตเราเป็นมายาทั้งนั้นแั้นความทุกข์มันก็เป็นมายาเหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นมายามันเป็นความทุกข์ก็เป็นมายาแต่เรามันทนไม่ไหวทั้งที่มันเป็นมายามันทนไม่ไหว มันมีความทุกข์เก็บปวดปวดร้าวในใจเพราะจิตมันตั้งไว้ผิดมันเดินไปผิดมันดำรงไว้ผิดมันก็ต้องมีผลอย่างนี้เป็นเรียกว่าความทุกข์นี่ขจัดต้นเหตุคือความยึดถือยึดไม้มันยึดถือเสียมันก็ไม่ต้องมอีความรู้สึกที่เป็นทุกข์มันมีความปกติ ไปดูวยดีอ่ะต่อไปนี้คุณจะต้องศึกษาธรรมะตัวจริงถ้ามีลูกมีเมียมีผัวมีอะไรก็ตามอ่ะก็ไปศึกษาตัวความรักตัวความยึดถือตัวความหมายมั่นว่าของฉันว่ามันเป็นอะไรยังไงว่ามันมายาหรือมันเป็นของจริงมันเป็นความสำคัญมันม่นหมายไปตามเหตุตามปัจจัย ผมเป็นหมายมั่นว่าของฉันมันก็มาอยู่บนหัวใจฉันไม่ว่าอะไรทั้งหมดถ้าไม่สำคัญมั่นหมายไม่ยึดถือเป็นของฉันมันก็อยู่ตามที่ของมันหัวเมียลูกหลานมันก็อยู่ตามที่ของมันไม่มาอยู่บนหัวคนนั้นพอมันยึดตือเป็นของฉันมันก็มาอยู่บนหัวคนนั้นคืออยู่ ใ, ในจิตใจคนนั้นหัวควายไร่นารถยนต์บ้านเรือนก็ตาม เมื่อไม่ได้ยึดถือมันก็อยู่ตามที่นั้นๆพอยึดถือมันมาอยู่บนหัวของคนนั้นนี่าพมพูดหยาบคายไปหน่อยเพิ่มจําง่าย <c oughs> จริงๆมันมาอยู่บนจิตใจของคนนั้นจะเป็นอะไรก็ตามกี่อย่างกี่อย่างถ้าเราไม่ยึดถือมันอยู่ตามที่ของมันวัวควายก็อยู่ในนาเงินก็อยู่ในธนาคารรถยนต์ก็อยู่ที่โรงรถ แต่พอยึดถือมาอยู่บนหัวเราหมดมันก็ต้องมีความทุกข์าการทำจิตไม่ให้ยึดถือนี่มันเป็นศินละปะอย่างยิ่ง <c oughs> เป็นยอดสุดของศิละปะจ <c oughs> ึงคนชาวโลกเขาไม่รู้ <c oughs> เขารู้ศิละปะแต่เรื่องทางวัตถุแต่นี่นเป็นเรื่องศิละปะทางจิตใจและก็เป็นชนิดที่ละเอียดประณีตสุ ข, ขุมอย่างยิ่งด้วยทันเขาจึงไม่รู้ <c oughs> ยอดของศิละปะคือวิธีที่ทำให้ไม่รู้จักทุกวิธีที่เราทำให้ไม่รู้จักกับความทุกข์นี่คือยอดของศิละปะศิ <c oughs> ละปะอื่นเป็นศินละปะบ้าบ้าบอเสียเวลาแต่ก็นิยมกันนักลงไหลกันนักเรื่องศิละปะไอศิ <c oughs> ละปะที่แท้จริงคือทำใหญ่เป็นทุกข์ได้นี่เข้ากับไม่ใครสนใจนี่คือความโง่ของมนุษย์ในโลกปัจจุบัน ที่พูดกันในง่ายของศิลปะของดีของวิเศษของละเอียดของเปรอะนิตของทํายากนะของน่าสรเเสญน่ะมันมันอยู่ที่นี่ไม่จะอยู่ที่ศิลปะที่เขากําลังลงไหลกันมันเรื่องบา้บาบา้บาบอๆไม่ดับทุกได้ <c oughs> งั้นเราเป็นศิลปินกันบ้างสามารถที่จะมีสติมีปัญญาอยู่ที่เนื้อที่ตัวรวดเร็วทันแก่เวลา ไม่เกิดความอยากด้วยความโง่ไม่เกิดยึดถือด้วยความโง่ถ้าเราจะต้องการต้องการด้วยสติปัญญานี่ก็สําคัญมาก <c oughs> ที่ว่าเขาไม่รู้กันและในโรงเรียนก็ไม่เคยสอนไม่แยกสอนในโรงเรียนก็สอนอย่างโง่ๆเพราะถ้าอยากแล้วก็เป็นกิเลสตัณหาทั้งนั้นจนคนปฏิบัติกันไม่ถูก กิเลสตัณหาความอยากมันอยากด้วยความโง่จึงจะเป็นกิเลสทีือเป็นตัณหาหรือเป็นโลภแล้วก็ให้เกิดทุกข์แหละที่เราต้องการด้วยสติปัญญานั้นไกลกันลิบเช่น <c oughs> คนหนึ่งต้องการเงินต้องการทรัพย์สมบัติด้วยสติปัญญาด้วยเหตุผลด้วยความคิดที่สุขุมรอบครอบ มันก็ไม่ไม่เผาลนจิตใจอะไรแต่ละคนหนึ่งมันต้องการด้วยกิเลสตัณหาด้วยความอยากที่โง่แล้วมันก็เผาลนทันทีที่อยากถ้าอยากจะมีเงินนั่นก็เผาลนละก็มันอยากด้ความโง่แต่ถ้าอยากด้วยสติปัญญามันรู้เป็นความต้องการตามปกติด้วยเหตุผลว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเราจึงควรต้องการมันก็ไม่เผาลนอะไร ก็คิดหาทางทําไปทําไปเอโดยที่ไม่ต้องมีกิเลสก็มีเงินได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์อยากด้วยความโง่พอลงมืออยากก็เป็นทุกข์ไปทําอยู่ก็เป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์กินเข้าไปก็เป็นทุกข์เพราะมันมีความโง่อยู่ตลอดเวลาเราตรู้จักแยกกันเสียดีๆว่าด้วยด้วยความโง่หรือว่าด้วยความฉลาด คือ้วยวิชาหรือด้วยอาวิชาเช่นเราสัมผัสโ ด, ดยตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอะไรเข้าไปนะ่ะมันสัมผัส ด, ด้วยความโง่หรือว่าสัมผัส ด, ด้วยความฉลาดถ้าสัมผัส ด, ด้วยปัญญาด้วยวิชามันก็ไม่เป็นไรถ้าสัมผัส ด, ด้วยความโง่มันก็เป็นทุกขนะ์น่ะมันก็มีความอยากมีความต้องการด้วยความโง่ อยากต้องการด้วยความโง่เป็นทุกทันทีแล้วทำไปทำไปก็เป็นทุกตลอดสายแท่สัมผัสด้วยปัญญามันก็เป็นความรู้สึกด้วยปัญญาถ้าต้องการสิ่งนั่นก็ต้องการด้วยปัญญามันไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความโง่มีแต่ปัญญารู้อะไรเป็นอะไรอยู่เสมอมันก็ไม่หลงยึดถือมันก็ไม่เป็นทุกข์ เมื่อสัมผัสก็สัมผัสด้วยปัญญาเมื่อเกิดเวทนาก็เป็นเวทนาด้วยปัญญาเมื่อเป็นความต้องการก็ต้องการด้วยปัญญามันไม่เป็นตัญหาเมื่อไม่เป็นตัญหามันก็ไม่เกิดอุปาทานอย่างที่ว่ายึดถือด้วยความโง่มันกลายเป็นต้องการด้วยปัญญาแล้วก็ทําไปด้วยปัญญาควบคุมทุกอย่างเป็นไปด้วยปัญญาแล้วไม่มีความทุกข์ ต้องการเงินก็ได้ก็ได้เงินต้องการชื่อเสียงก็ได้ชื่อเสียงต้องการความสุขก็ได้ความสุขโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่ประโยชน์ของธรรมะมาอยู่ที่ตรงนี้คือดับทุกข์ได้ด้วยแล้วก็ให้ได้สิ่งที่ควรจะได้นั่นโดยง่ายด้วยชีวิตการงานของคาราวาสไม่ต้องเป็นทุกข์ แล้วก็ได้รับประโยชน์ตามที่คาราวาตควรจะต้องการด้วยโดยไม่ต้องเป็นทุกข์มันดีอย่างนี้ข้อที่หนึ่งไม่ต้องเป็นทุกขข้อที่สองการงานมันสนุกมันก็ได้ประโยชน์ตามที่ควรจะได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ประโยชน์อันใหญ่หลวงสูงสุดมหาศาลของพระธรรมมันอยู่ที่ตรงนี้ฉนั้นเมื่อคุณจะศึกออกไปคุณควรจะเอาไปด้วยได้ ประโยชน์อันใหญ่หลวงมหาศาลของธรรมะมันจะคุ้มไม่เป็นทุกข์แ้ามันจะช่วยได้ตามที่ต้องการโดยสนุกถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็คือไม่ได้ประโยชน์ของธรรมะไปใครจะได้หรือไม่ได้ก็ไปรู้เองเถอะไปรู้กันเองในอนาคตถ้าคุณได้ธรรมะจริงธรรมะตัวจริงเลยไม่ใช่ธรรมะบันทึกเนี่ คุณก็จะประสบความสําเร็จในขอน้อนี้ชีวิตไม่เป็นทุกข้าวหน้าไปในทางที่ควรปรารถนามีชีวิตมีลมหายใจโดยไม่ต้องเป็นทุกข์มาคิดดูอะไรมันจะดีกว่านี้มันไม่มีแล้วไม่มีอะไรจะดีกว่านี้แล้วสําหรับมนุษย์เรา <c oughs> คือสิ่งนี้ทําให้ไม่เป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นทุกข์ ถ้าต้องการจะได้อะไรก็จะได้ตามที่ปรารถนาโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่คือตัวธรรมะที่แท้จริงขขอให้ไปพยายามอย่างยิ่งจนขจนรู้จักสิ่งนี้จนเข้าถึงสิ่งนี้จนใช้สิ่งนี้เป็นประโยชน์ได้เดี๋ยวนี้เราจะเคยอ่านหนังสือจบ เป็นเล่มๆหรือหลายสิบเล่มแล้วก็ได้แต่ยังไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงตัวนี่หรือสิ่งนี้ซึ่งจะต้องไปอ่านดูที่ตัวความทุกข์หรือจะพูดว่าดูที่ร่างกายหรือจิตใจนี่ก็ได้ต่อไปนี่คุณจะต้องไปอ่านที่ร่างกายที่จิตใจที่ความรู้สึกของจิตใจที่ความเป็นไปในทางจิตใจ แทนการอ่านที่หนังสือหรือฟังคนพูดเช่นผมกําลังพูดอย่างนี้เป็นต้นอมันมันไม่ช่วยให้สําเร็จได้คุณต้องไปอ่านจากตัวร่างกายตัวจิตใจตัวการงานตัวความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเหตุให้เกิดความทุกข์ติดอยู่ที่นั่นแฝดอยู่ที่นั่นด้วยต้องไปจับตัวมาอ่านให้หมด ที่นี่จะจัดการกับมันได้เรียกว่าไม่เสียทีที่ได้บวช <c oughs> บวชได้รับสิ่งดีที่สุดสูงสุดจากการบวชคือสิ่งที่จะเอาไปแก้ปัญหาได้หมดตลอดชีวิตแลวชีวิตจะสูงสูงสูงสู ง, สงขึ้นไปจนมันจะเบื่อนายการเป็นอยู่อย่างโลกโลก มันจะกลับออกไปมีชีวิตเพื่อเป็นพระอาหารหันต์ในอนาคตก็ได้แต่ยังไม่ต้องพูดข้อนี้เอาแต่ว่าเมื่อจะกลับออกไปเป็นคราวาสนี่ก็ขอให้ไปเป็นคราวาสที่ดีที่สุด<ม>เป็นอริยสาวกของพระพุทธเจ้ามีชีวิตยอยู่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์แลนวก็จเจริญก้าวหน้าในการงานที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ประโยชน์ประเทศชาติศาสนาประโยชน์ชนชนแก่โลกทั้งโลกด้วยก็ยิ่งดีเกิดมาทีหนึ่งมันทำประโยชน์มากถึงขนาดนี้ไม่ใช่แบบประโยชน์ตัวตนคนเดียวหรือเพื่อเพื่อลูกเพื่อเพื่อมียรสองสาคนนะมันมันเล็กเกินไปมันไม่มีค่าอะไร เอาละเป็นนั้นว่าผมพูดโดยหัวข้อใหญ่เป็นประมวลใหญ่หมดของระบบธรรมะนี่คือระบบของธรรมะเมื่อประมวลกันให้หมดเอามาย่นย่อเอาแต่ใจความมันก็เป็นอย่างนี้จากใจความนี้ขยายออกไปเป็น แปดหมืนสี่พันข้อก็ได้เพราะว่าอันนี้มันย่ อ, อมาจากแปดหมืนสี่พันข้อพระพุทธเจ้าท่านสัตว่าไม่พูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เพาแจกรายละเอียดของความทุกข์ของเหตุให้เกิดทุกข์ของความดับทุกข์ของทางถึงความดับทุกข์เป็นข้อปลีกย่อยโดยละเอียดนับไดหมื่นมืนข้อ อย่างที่เราเคยได้ยินว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้านี่มีแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันแปดหมื่นสี่พันข้อมาแยกเป็นประเด็นย่อยๆแต่พอสรุปแล้วเหลือเพียงสองข้อคือว่าความทุกข์กับความดับทุกข์แล้วความทุกข์ก็คืออย่างที่ว่าเนี่ยมันเพราะมันยึดถือแล้วความ ดับทุกขก์ก็อย่างที่ว่าคือไม่ยึดถือน่นนจึงสอนว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นว่าเราว่าของเรานั่นฝ่ายดับทุกข์และยึดมั่นถือมั่นเมื่ อ, อไรก็เป็นทุกข์เหมือนนั่นนั่นเป็นฝ่ายที่เป็นความทุกข์ห <c oughs> วังว่าไอ้อคาพูดสองสามคำนี้จะเข้าไปแจมแจ้ง สองแสงจ้าอยู่ในจิตใจของท่านทั้งหลายทุกๆองค์ที่ทุกๆต้นที่จะสึกลาสิกข า, าไปถ้าหลักเกณฑ์อันนี้มันยังแจมแจ้งอยู่ในใจแล้วมันจะคุ้มครองยิ่งกว่าพระเครื่องยิ่งกว่าอะไรหมดมันจะคุ้มครองไม่เกิดความทุกข์ น่นใมันดำเนินไปในทางจุดหมายปลายทางคือเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพร้อมกับความทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลง <c oughs> อยู่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ <c oughs> ก็เป็นดีที่สุดสำหรับมนุษย์ แล้วอย่าลืมว่าพอความทุกข์มันมวิวววอะไรออกมาแล้วตั้วห่าห้กลับไ ป, ไปเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์ถ้ากูเกิดมาเพื่อความทุกข์ก็เกิดเป็นหมาจะดีกว่า <c oughs> เพราะหมามันยังทุกข์น้อยกว่ามนุษย์ พ่อโดยใจความมันมีเพียงเท่านี้ก็ <c oughs> ขอยุติการพูด